กานั่งตามสบายได้ไดนั่งยังไงก็ไดให้มันสบายโดยจะให้นอนสบายเหมือนุ่งดัน่พก็ได้มันก็สบายเดี๋ดัน่อสบายแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนขนคอยใดๆแล้วมนุษย์เราน่มันทุกข์ยากลำบากอะไรบท4ีอย่างนี่แหละ คือยืนเดินนั่งแล้วก็นอนวันนี้นอายุ่มดนอนหมดลุงนานตอนนี้จริงจริงลุงนานน่อายุก่อนกว่อตมามาเป็นรุ่นน้องลุงนานนีเป็นรุ่นน้องแต่ต่อไปเป็นรุ่นพี่ล้วจะเรียกน้องไม่ได้แล้วต่อไปเขาจะเป็นรุ่นพี่และเห็น ไ, ไหมไม่ใช่รุ่นพี่แต่า่างทียวพวกเราก็เป็นรุ่นพี่ว่ะตอนนี้ ต่อไปเจ อ, อไาแลยนะอ้าพี่ไม่ได้เนี่ยเขาไปก่อนลงน้าไปก่อนเนาะแต่อย่าเรียบตามไปนะอย่าเรียบตามไปตุนานก็ทำความดีไปเยอะใครบทเรียนเคยอ่านที่นี่เป็นคนบังเถินใม่แก่ง อำเอเทินไม่แก่งมันมีถ้ำมีสองถ้ำถ้ำไม่แก่งที่ถ้ำหนึ่งถ้ำสุขเกษซึ่งปัจจุบันพ่อกระลำบุรณะเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวส่วนไม่แก่งมเป็นแหลง่งถ้าเป็นสมัยก่อนหิงปงนขามภาษากลางเขาเรียกอะไรแก้วก้นเหล็ก ที่ทำหัวแหวนเปของขังเยอะแต่ตอนนี้แทบไม่มีแล้ว mm hmm. เพราะว่าทาไมรู้ก็เคยไปอยู่เคยไปอยู่ในสมัยมึงยังไม่มีอะไรนั่นก็เป็นเราะว่ารู้จักกันมานานตั้งแต่พ่อแม่หลวงคานชื่อคานแม่ชื่อนาก็บอกคานนาพ่อไปแล้ว ก็ อ, อยากกันหมดพี่นๆน้องๆมึงลงทารายไปแล้วก็มีอยู่พวก็มีแต่สุดท้ายก็ใช้ชีวิตแบบโลกอยู่ทางธรรมไม่ได้ก็ไปอยู่กับโลกก็คือสองอย่างแค่นี้แหละมนุษย์เราคือถ้าไม่อยู่แบบโลกก็ อ, อยู่แบบธรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้คือตัวทั่วไป ส่วนคนที่จะอยู่ทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือโลกก็อยู่ได้ธรรมก็อยู่ได้นี่น้อยหรือจะเลือกอยู่แบบโล ก, ก, ยนนล อ, กอย่างเดียวบางคนก็เลือกแต่ธรรมอย่างเดียวคือไม่เอาโลกโลกกับธรรมเขาพูดถึงอะไรโลกก็คือพวกเงินเงินทองทองทำมาหากินอาชีพมากินส ะ, สะตุ้งสะตังนี่เพราะก่าตัวชี้วัดเขาคือสะตงคือเงินคือโลก มีรายได้เยอะมีเงินเยอ ะ, เ, ยอะเดี๋ยวเศรษฐีเขายก่งยากกันตรงนี้มันมีตังมีหนามีตาแล้วคนไม่มีตังเขาก็มันรับที่นี่เป็นเรื่องของโลกมันเราเรียนเรียนเสรยจก็ทำมาหากินทำมาค้าขายแต่สุดท้ายไปลายทางก็คือเงินคือสตังนั่นแหละ น, นี่คือโลกสุดท้ายเราก็ใช้แบบนี้คือตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตาย สมุทรลอนลงหนานพเพลาตรงนี้ไม่เคยอยู่ต้องทำมาก่อนคือไม่เคยบทเดีนกันอ่านก็จะอยู่แบบโลกจนตายก็คือหาทำมาหากินเธอต้องเธอตางไปก็อยู่ในโลกแต่ถ้าเราอยู่แบบโลกแบบนี้เกิดแก่เจ็บตายถามว่าอะไรตายเราก็คิดต่อไหมหลังจากตายแล้วเป็นยังไง หลังแก่ตายแล้วจะเป็นยังไงพอนอยู่ที่ว่าก่อนจะตายไม่เป็นยังไงแต่เราอยากจะรู้ว่าหลังแก่ตายแล้วเป็นยังไงแต่ว่าก่อนตายเราไม่อยากรู้ก็คือตอนนี้ก่อนที่เราตายนี่เป็นยังไงเราไม่ได้สนใจเพราะนั้นหลังตายแล้วจะเป็นยังไงก็อยู่ตอนนี้แหละอยู่ที่ก่อนตายจะเป็นยังไงและอันนี้คือโลกนะโลกคือลงนานตอนนี้ก็คือถ้าเป็นโลกรูปน้า รูปก็คือร่างกายนามก็คือสีตัวเวทนาสัญญาจักรมีเดียคืออากันห่างไอที่เราเรียกว่าตายมันคือรูปสี่ตัวคือใจคือจิตมันไม่ได้ตายเริ่มไปไหนได้วยเนี่ยมันก็เป็นนักท่องเที่ยวในสังสารวัตรนี่แหละเที่ยวไปเที่ยวมาอย่นี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับมาเพา กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะนั้นการตายจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจแต่หลายคนเวลาตายญาติพี่น้องตายเสียใจร้องไห้เวลาเกิดจะดีใจทางทังจะรู้ว่าเกิดขึ้นมาแลว้วก่อจะตายเนี่ยมันยากลำบากขนาดนั้นในการทมอหากินในการเลี้ยงชีพในการดำรงชีวิต อันนี้คือที่เป็นสัจจะคือความจรงิงคมะคือที่มันเป็นอยู่แล้วธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วก่อนพูดยากเกิดก็เป็นอย่างนี้มันมีอย่างนี้ของมันอยู่นี่แล้วเราสัจธรรมว่ามนุษย์เราเนี่ยสามคำก็คือเหตุแล้วก็ผลแล้วความจรงิงเป็นสิน่งที่เราตศึกษาเหตุก็คือต้นเรื่องผลก็คือ มาจากเทียนนั่นแหละแล้วความจริงคืออะไรเมื่อเราก็อยู่แค่นี้แต่ส่วนใหญ่เเอาแค่เหตุผลว่าเราจะไม่พูดถึงความจริงพเพราะรับไม่ได้รับไม่ได้ก็แปลว่าเราเราไม่เคยอยูองความจริงความจริงก็คือธรรมชาติธรรมะชาตะเป็นเองเป็นเองสัจจะคือความจริงแต่นี้ถ้าเรายังนึกตรงนี้ไม่ออก ก็ต้อกลับมาที่เดิมมาที่เดิมก็คือมาที่ต้นเรื่องที่เกิดศาสนาของเราคือพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนแค่นี้คืออริยสัจคือความจริงแต่ว่าตัวแท้ความจริงเราเข้ามไม่ถึงเมื่อเราไม่อยู่ความจริงมันก็จะเป็นยังไงมันก็ตรงข้ามของความจริงคืออะไรความไม่จริง คามเท็เราก็อยู่กความเท็จก็แปลว่าเราจะเรับมจะความจริงเพราะ น, นั้นถ้าเรายังนึกอะไรไม่ออกโดยพื้นฐานโดย่อยบอกลูกสอนหลานอันนี้วิธีสอนที่เป็นบูรพาจารย์ทั้งหลายที่พากันปฏิบัติทำมาเป็นนิติคือแบบแผนเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างในการถ้าจะสอนสอนลูกสอนหลาน อ้สอนลูกสอนหลานก็คือถ้าจะบอกว่าลูกหลานเราห่างวัดทำไงถึงจะเอาวัดไปอยู่ในบ้าน ไ, น ไ, ได้ทําไงที่จะเอาบ้านเราเป็นวัดได้เราก็ต้องเข้าใจว่าในวัดเขาทาอะไรกันมันมีอะไรดีในวัดเรานึกออกมีอะไรดีโบสถ์สาลากุฏิพร ะ, ระที่เราโบสถ์ดีไหมกุฏิดีไหม ชุพราพะจะดีทุกองไหมอันนี้คือความจริงแล้วไม่ได้ประโมทยใครนะเ ร, เราต้องยอมรับเอาความจริงมาเป็นพระแล้จะดีทุกองไหมสมมติถ้าดีจริงๆเอาแล้วพูกเราทั้งหลายพู้นี้เราโกนหัวแล้วเอาผ้เหลืองมาใส่ผู้ของมันจะดีทันทีนะไหมของใหม่แล้วคืออะไรวัดคืออะไรดังนั้นเบื้องต้นในการบรรญชาอุสมบทคือบวช พูดง่ายว่าจะเป็นบทพระบทเนรก็ตามเบื้องต้นคือท่านให้ถือสรระไว้ก่อนเหมือนที่เราทําพิธีไหนก็เหมือนอย่างนี้นเราทําจนจนไม่เข้าใจจนไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรบ่าพระว่าสมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีลก็กลายเป็นเรื่องปกติพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับรร้าอะไระเพราะนั่นถือว่าเป็นมาตรฐานเลยนะคือวิธีคิดวิธีบอกโลกบอกหลานสอนโลกสอ น, ห, นหลานเราจะเอาพระ ไปตั้งไว้ในวัดอย่างไรมันดีก็เอาพุทธรูปไปตั้งไว้ที่พระแล้วก็เชิญเจ็ดวันก็เอาหาดอกไม้มาบูชาที่นึงถืว่าบูชาแล้วซึ่งบูชาอะไรก็ไม่รู้บูชาโลหะประเทศเราเป็นพระพุทธเจ้าไหมนี่ความที่เราไม่เข้าใจนี่คือความที่ไม่เข้าใจสรุปถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ก็คือเราใช้แค่ความจําคือสัญญา เราใช้แค่ความเชื่อคือศรัทธาจบแค่นี้จำว่าเป็นอย่างนี้เชื่อว่าเป็นอย่างนี้แล้วความจริงคืออะไรไม่รู้เราก็ได้แค่ศรัทธาแต่ปัญญาไม่เกิดนี่คือเราไปยั ง, ยงไม่ถึงปัญญาจวนันนี้เราแค่เชื่อสุดท้ายองค์นั้นองค์นู้นปฏิบัติดีไปเดี๋ยวก็สุทัทธากงายงท้องกันกลับมาเนี ก็ความเชื่อเราอยู่กับความเชื่อแต่เราไม่อยู่กับความจริงแต่ผู้ย่อสอน้เราอยู่ความจริงเชื่อมันเป็นบรรทัดแรกเป็นก้าวแรกแต่ต่อไปไม่ใช่แค่ศรัทธาต้องเป็นปัญญา น, นี้ทํายังไงที่เกิดปัญญาเขาบอกว่า้เอาโยมัดไว้ที่บ้านเมื่อกี้เราก็เราพูดถึงว่าการบรรพชาบอร์กลับมาปุ๊บสิงแรกที่บ่งบอกว่า เป็นการยอมรับนับถือคือล่วงเกินไม่ได้คือเป็นสามเณรสามเณรเขอรับพัฒนาใจ ร, รับพัฒนาใจจบลงก็คือพูดทางตะันออสองครั้งที่เราเล่ไปครั้งที่สองครั้งที่สามจบลงเป็นสามเณรแล้วกานบวชเนงเจบลงแค่นี้นะส่วนข้อบังคับหรือกติกาเขาเรียกว่าสินสินสินเป็นสีขาบทที่เราปฏิบัติแต่เป็นใ น, นแค่นี้เพราะนั้นใคร รับพระอันตนาใจได้เนี่ยความสำคัญทีนี้เราให้ความสำคัญกับพระตันไตน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยในชีวิตประจำวั น, น, นเพื่อเห็นภาพชัดเจนแต่ถ้าเรายกอันนี้ไปไว้ในบ้านเราเนี่ยมันอาจจะมองภาพที่เป็นภาพรวมที่เป็นรูปามมชัดเจนก็คือพ่อแม่ลูกในบ้านนะ พ่อเนี่ยจริงๆมันเทียบกันไม่ได้พ่อผู้เจ้าของเราเป็นพระอริยะพระบุคคล้นแล้วแต่เพื่อเปรียบทียบเป็นรูปธรรมนั้นชัดเจนผู้ชังสนางก็จะกล่าวถึงผู้เจ้าเป็นแต่เพือท่าภายในบ้านพผู้เจ้าก็คือพ่อธรรมังสนางกระเจงมี่อันนี้คือแม่เป็นบ่อเกิดคือธรรมะคือธรรมชาติต่ามหลายแหลที่มีอยู่ดินน้ำไบลมอย่างนล้ำเพลนั่นคือธรรมชาติที่เป็นธรรมะจริงนั่นคือแม่ พ่อกับแม่มันต้องมีลกูกกันไหมสังขังสังขาระ็คือพระสงฆ์นี่แหละตอนนี้พ่อเราก็เป็นยังไงก็ไม่รู้แม่เราเข้าใจยากก็เหลือแต่ลูกท่านคือพระสงฆ์แต่ต้องเป็นพระทีป่ปฏิบับบบบติปฏิบัติชอบนะครรมสงฆ์ในตอนนี้มุ่งปฏิระปฏิบัติปฏิบัติชอบเอยพราะีกคือมีพระอริยะพระคำว่าสังขังคือพระอริยะสงฆ์ ไม่ใช่ภาพเป็นปุถุชนอย่างเราเนี่อย่างเราถ้าท่านเอาผ้าเหลืองมาห่มก็เป็นพระ อ, อันนี้สมมติเป็นพระโดยสมมติแต่ไม่ใช่มัไม่ดีนะแต่ว่าเรามุ่งคือสังฆังคือเป็นพระสองฆ์ที่เป็นพระ อ, อริยะสงฆ์จริงจริงที่นี่เป็นตพึงได้ทีนี้ถ้ามาอยู่ในบ้านพุทธทางธรรมังสังฆังตะลังกระฉานี้พ่อก็ไม่ฟังธรรมังตะังกระฉานี้ แม่ก็ไม่ฟังคือมันเรียนรู้เลยแา่ครั้งตานางก็ถามลูกเลแบบแล้วบ้านจะเป็นยังไงด็ลูกของบ้านท่านจะเป็นยังไงพ่อบอกอันนี้อย่านะลูกนะออืแม่บอกอันนี้มันไม่ควรทํำนะลูก น, นี่อาจคือลักษณะของเราที่ขาดประรัชตราใคือคุณกรพูรีเจ้าประดมมณฑลที่เป็นกกรูปธรรมเพราะฉะนั้นถ้าอยากยกพูรีเจ้าบอกอยากจะต้องอย่าง หรือนักตือจริงๆคือปฏิบัติตามจริงๆคําว่านักตือคือปฏิบัติตามเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแต่นี่ถ้ามาดูผู้ทํากระดังกระจ้านผู้จะสอนอะไรพ่อเราสอนอะไรธรามังสะดังกระจ้านม่เราสอนอะไรเราเคยเรียนรู้ไหมคําของพ่อคําของแม่เราเคยเรียนรู้ไหมก็ถ้ามันวันหนึ่งหมดโอกาสเหมือนลูก น, น, นันเรามีการเรียนรู้เลยแตนี้ก็เหลือได้สังขังสัขงสขงังกรงดังกระจ้นนี่ นี่หลักใจใจความสําคัญมาถามทุกวันเนี้ยเราเอาใครเป็นต้นแบบสังฆังสนางกัว่ามีพระ อ, องค์ไหนที่ปฏิบัติีปฏิบัติชอ พ, พอเอาเยี่ยงอนอย่างแม้แต่น้ําทําคำจังสอนสักวักสักตอนสักประโยคสักโอรีเอาไปเป็นต้นแบบเช่นสุลปสังฆราชเป็นต้นอดที่แล้วการสอนทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตาย แล้วถ้าอยากศึกษาเราไปอ่านดูว่าบอกว่าชีวิตนี้น้อยนัก่ันหมายถึงอะไรที่มันน้อยมันคืออะไรชีวิตนี้เราจะปต้องเลือกแล้วนะว่าจะเลือกไปทางไหนเราเลือกเรียนเลือกขึ้นข้างบนปวงข้างล่างหรือยังไมได้เลือกอะไรเลยตัดสินใจหรือยังจะไปสูงจะไปต่ําซึ่งเราเลือกได้ น, นี่คือสังกังก น, นังกันจากนี้ทีนี้ หลักประกันคือหนึ่งถ้งาเรายัางเป็นไปไม่ถึงตัว น, นั้นหลักจากใบพระคือนี้ละอ้างสมาธากระตุพุทังต่อไปก็สมาคทานสีนพอสมัครเซนซิทิก็บอกว่าปานาปาดิีปาตาจะถึงสุราเมย์ปัจจุบงานไหนก็งานนั้นถามว่ายังมีอยู่อนทวนแล้วมันคืออะไรเขาจะบอกว่าหลังจากนั้นเขาจะท้ายสินนั่นจะบอกว่า สิเลนะสกติงันติสิเละโผลกสัมปท า, าเป็นสาวาลีสิเในะสกติงยันติหมายความว่าคนที่มีโผค่้าสมบัติก็ดีสวรรคสมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีก็เพราะศีล น, นี่แหละก็แปลว่าศีลเป็นพื้นฐานคือศีลห้า น, นี่แหละตอนนี้ไปกรุงเทพมาเพิ่งม า, าตอนห้าโมงเย็นกว่ากี่าก็ได้คุยข้าราชการทหารที่เป็นประสบมาศรสทธาธรรมด้วยบอกเขานี่ หลังจากที่เข้าหาครูบาอาจารย์แล้วเดี๋ยวอย่างรับราชการดีบอกผมตอนนี้ผมรับสินแหา่มาสิบปีแล้วครับโอ้ดีมากเลยหลังจากผมรับเสร็จแล้วทุกอย่างมันโล่งหมดไม่มีความไม่ตกกังวลว่าคนนั้นคนนี้นนนจะรู้จุต้องเจ้านายจะว่ า, า, ย า, ายอย่างนั้นเงีผมไม่มีเลยครับซึ่งเมื่อก่อนแปลว่าอะไรก็แปลว่าสินแห่มันคือหลักประกัน ถ้าเราไม่ค่าสัตว์ตัดชีวิตเีงสี่งห้านี่เป็นตัวได้ทําให้คนเราเข้าคุกถ้าใครไปละเมิดง่ายๆอย่างนี้ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าลองไปดูว่าคนอยู่ในคุกไม่ข้อหดก็ข้อหนึ่งเพราะไปละเมิดห้าข้อนี่แหละเพราะฉะนั้นลูกอาพุธเจ้าสังขังสนงังท่านองคพยานจะบอกบอกสอนว่าอันนี้คือหลักประกันนะประกันสังคมที่เราทำนะี่เป็นเงินเป็นทองประกันชีวิต ประกันสุขภาพมันอยู่ในนี้หมดเลยถ้าไม่มีสุรายาสติดอันนั้นคือประกันสุขภาพประกันสังคมไม่ต้องไปห่วงว่าสังคมมันจะว่าตำฎีชินเดินทานั่นคือประกันสังคมการชีวิตและประกันไม่ใช่ประกันชาตินี่ใช่เดประกันถึงชาติหน้าและการประกันอันนี้ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเหมือนกับประกันชีวิตอื่นๆมันจะต้องใช้ตังแต่นี่ไม่ต้องเห็นไหม นคือคุณสมบัติคือคนของศินห้าเราเห็นคุณค่าหรื อ, อยังพอได้เห็นค่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ถ้าเราเอาห้าข้อครบไม่ได้มันยังไม่ครบก็เอาสักวันละข้อสักข้อแต่ต้องให้มีนะวันหนึ่งต้องให้มีตั้งใจอย่างนี้แต่ถึงวันนั้น เฉยๆวันนี้ อ, อะไรเกิดขึ้นจากนี้ไปตื่นตื่นพุดโธแต่พอรู้พอตื่นตื่นก็หมายความว่าสีนห้านี่ทำไมต้องให้มีสักข้อเหตุผลก็คือถ้าที่เราเรียกว่าคนเรียกว่าพระเรียวกว่าอะไรก็ แ, าาแล้วแต่ชี้พามกแล้วแต่ถ้าวันไหนสีนห้าข้อเดียวก็ไม่มีนึกไม่ได้สักอย่าง เป็นคนไม่ได้นะจะเรียกตัวเองเป็นคนไม่ได้นะเหมือนเรียกเป็นคนไม่ได้ก็จะเรียกว่าอะไรที่มันต่ํากว่าคนที่เขามีสินหัดไม่ได้เลยนึกออกไหมว่าคือใครเหมือนกับเราแขนขาตาจมูกร่างกายใจเส็บกรามกิน แต่มันไม่มีเกียรติมันมีบ้านอยู่ไม่มีประแจสี่ไม่มีรถตั้งคือสัตว์ดิบอาชานเห็นไหมถ้าศีลไม่มีสักตัวเนี่ยเราเป็นได้แค่ร่างกายนคือนนบอกว่าอย่างไรก็ต้องมีสักข้อก็ยังดีอ่ะเพื่อให้แตกต่างเขาเหล่านั้นเพราะเขาเหล่านั้นนึกไม่ได้เลยต่อบอกให้บอกอย่านะอย่านะ เปลี่ยนไปไม่ได้เลยเนจิตนั่นคือจิตของเขารับไม่ได้พวนี้เลยแต่เรารับได้รับเปลี่ยนได้รับปรับได้ขอสักวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในห้าข้อะมีสักสองสามข้อก็ยังดีข้ออื่นเราไม่ได้ยังข้อสี่ข้อห้าเรื่องของสังคมไม่ได้ก็ก็ยังดีนะสักสองข้อก็ยังดีนะในถ้ามีอย่างนี้นะเป็นคนละ จะไม่มีทางเลี้เป็นเขาจะมาโมคอยมูมาัคาไก่เริ่มเป็นคนแต่ก็ยังเป็นคนอยู่อ่ะคือเราผลกลเปยันอยู่ให้สูงก ว, กว่าคนถ้าวันไหนเราศีลเราครบสีนห้านี้อย่างเดียวพบเนี้มนุษย์มณะอุตสะแปลว่าใจสูงสูงกว่าอะไรก็สูงวขานั้นแหละสูงกว่าเขาเหล่านั้นโดยจิตไม่ใช่กาย ถ้าใครทำได้อย่างนี้ทุกวันใจมันจะสูงสูงกว่านั้นถ้าสูงก่อมนุษย์อีกถ้าฝึกประจํามีศีลประจําพระวระแปลว่าประเสริฐพระมหัจรวระแปลว่าประเสริฐพระก็มีระดับตั้งแต่บันไดขั้นแรกหนึ่งสาสี่โซดาสกัดนาการนาคาอรหันตาถ้าเราทําได้นะแต่ว่าเอาแค่มนุษย์ก่อนได้ไหมคือมันไม่ใช่เหนือบากรเลแรงเอาพวกเรา อันนี้คือทําไมว่าความสําคัญทําไมทํางไหวพระสมาทานศีลอันเนี้ยมันคือความสําคัญอันนี้เราพูดถึงคนเป็นเราไม่พูดถึงสัตว์เพราะว่าคนตายทำอย่างนี้ไม่ได้ป็นคิดได้ถึงสมเด็ยินตอนนี้ยทําไม่ได้เพราะขันไม่อำลูขันไม่อำลูเหมือนพวกเราและโซ่พวกอื่น ๆ, ๆ, ๆ, ๆปุ๊กหมูห ม, หมากไก่แมว เขาไม่ดได้รู้เรื่องพูดไปยังไงก็ไม่รู้เรื่องคือไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขอให้ยินคืออันนี้แหละถ้าเราทําได้ก็คืออย่างน้อยก็เป็นคนก็อย่างดีนะหมายถึงได้โดยสภาว่าจิตถ้าไปกันนั้นถ้าสิ้นหลับครบทีน่นี้ถ้าสมมติว่าไม่มีเลยมันจะกลับไปเป็นเหมือนพวกเขาหรอ น, นั้นคน มนุษย์เราเนี่ยไม่เคยเป็นสิงสาลาสัตว์ไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเปแม่ไม่เคยมีเลยในโลกนี้กูจะจัดนไม่ได้กูเองเพราะนั้นที่เราที่ไม่เคยเป็นผู้หญิงไม่มีไม่เคยเป็นผู้ชายไม่มีนี่คือความสําคัญเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรสักข้อเลยกลับมากเป็นของเราแล้ว หรือศีลมันบกพร่องเด็ดเดียนเช่นกันแล้วกันมาอาจจะเขียนมาข้างเดียวตา ม, มาข้างเดียวหรือมีแต่ต า, าเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่หูก็ทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่ปากแต่พูดไม่ได้เห็นไหมนี่ทุก ค, ค, ความสำคัญขอเปการของศีลเพราะฉะนั้นอยากจะเน้นย้ํำซื้อไปของธรรมดาของพืพ้นๆธรรมดาอยากให้ยกเสียงอะไรไปไว้ในบ้านเวลาบอกลูกสอนหลานก็แค่นี้แหละ มาตรฐานแล้วถ้าบอกได้สอนได้ถ้าใครมีลูกเวลาท่านจะบอกเป็นอย่างนี้แต่นี่ครับแต่อย่าลืมเป็นตัวอย่างก่อนนะคือเราจะแนะจะนําเขาได้เนี่ยต้องเหมือนพระถ้าท่านจะแนะใครได้นำเขาได้ท่านทา ก, ก่อนก่อนท่านแนะได้นาได้คือเป็นตัวอย่างมีพ่อว่าไอ้นู เต็งแกปสูบ ป, ปุรีนะพออปป่อยังฆ่าพุรีอยู่มันจะบไปว่าอะไรอาจจะสอนกันยังไงอันนี้คือเราเราแนะได้แต่นําไม่ได้เป็นแต่ผู้เนี้ยแต่เป็นผู้นําไม่ได้ดังนั้นก่อนที่จะแนะก่อนที่จะนําอะเราเป็นตัวอย่างแล้วลูกๆคุณอื่นเขาจะตามเราเองเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราลูกศิษย์ลูกหาเขาจะตามเองจะตามความรู้ความสามารถความพูดความปฏิบัตินั่นเอง ไปต่อมาอันนี้คือสาระสลับมางานอันนี้เพื่อทําความเข้าใจก็คือมันก็เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมไม่ใช่เรื่องใหม่ขอเราคนเรื่องเก่าแล้วแหละเพลี่ยนแต่อยมาย้ําให้เราเห็นคุณค่าให้เห็นความสําคัญแต่สี่งสำคัญคือนําไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวันจริงๆเราก็จะได้ประโยชน์จากเข้ามาวันนี้ไม่ใช่มาแค่ ให้จ้าภาพเห็นหน้าบะนั้นพอมาันจะป้ามาเห็นแล้วมาเป็นเจ้าภาพแล้วมันก็ได้แก่เรื่องของประโยชน์อสังคมเท่านั้นเองเดี๋ยวถ้ามาแล้วยินฟังและโอ้ขนาดนี้โ ก, โกคือนอ้อมอ่าแล้วเอาไปพูดในบัตดจริงๆแต่สองสามข้อเดี๋ว่าโอประโยชน์สูงสุดแล้วแต่ทาไม่ได้สักข้อเลยไปหมดจุบันลุงหนานเราะพระจากไปแล้วท่าสรีกรันฮะก็ทิ้งบนโลกใบหม้ทรัพย์สมบัติขออยู่ทั้งบา ท, ทั้ ง, งชีวิต เอาอะไรไปไม่ได้เลยไม่ใช่ของเรายังไม่พอลูกหลานข้างหลังทันลเลาะกันเองฆ่ากันตายอ okay. ันนั้นจย่นี้ไปคือให้พวกเราหาสมบัติของจิตจิตให้มันไปเยอะๆหน่อยจะได้ไปดีจะได้มีทุนที่จะไปทันต่อในเพราะว่าเราต้องไปต่อไงนะลุงหนานก็ไปต่อไม่ใช่หยุดแค่นี้นะคือจิตมันไปต่อแต่จิตออกนั้นมันมีอะไรติดมาอติดมือไปเลยก็ไปมือเปล่าจะกินอะไร เห็นก็กินช่วยกินก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นั่งนั่งอยู่ในศาสนาก็ทำไม่ได้เลยตอนนั้นอย่าไปอยู่แบบโลกคือหาสตงสตังใช้ชีวิตแบบโลกอย่างเดียว ล, ลืมทำเมื่อกี้โลกบอกว่าโลกนะ่ะเข้ามุ่งไปที่สตังคุณจะเรียกอะไรแล้วแต่แต่ทำอยู่ฝ่ายทำเรียกโลกการทำทำน่ะเข้ามุ่งไปที่สติซึ่งมันมีค่าทั้งสองอย่าง สตางค์มีค่าสำหรับโลกแต่สติมีค่าสำหรับต่างทำตอนนี้สติกับสตางค์ในกระเป๋าเราอะไรมีมากกว่ากันถ้ามีแต่สตางค์อย่างเดียวไม่มีสติช้อะไรไม่ได้มันต้องมีทั้งสติและสตางค์ยิ่ไปขนาดได้แต่สตางค์ก็ยมีสติก็ยังมีเขาเรียกคนไม่มีสติะตางค์โอ ก็เรียกว่าอนาถาคือวิธีพึ่งหาอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือสารธรรมสำหรับพวกเราข่ําคืนันนี้เป็นคืนสุดท้ายในการที่เราจะะเห็นร่างของลุงนานเพาสุวรรณคำในวันนี้เรียกว่าถือว่าเป็นคติเป็นข้อคิดที่ถ้าพวกเราไปใค่อควรไปพิจรารณาแล้วโอประยิโกรน้อม่าดตเง่งเอาไปพุกปฏิบัติ สักข้อสองข้อถึงทำครบหมดไปได้ข้อยังดีอย่างนั้นเราก็เป็นคนเหมือนกันเราเรียกเตียมเป็นคนไม่ได้นะไม่เต็มปากยู่มนุษย์ยิ่งหนักก็ไปอีก น, นั้นอยู่ที่พวกเราอย่างเสเด็จสังกรานองค์ที่แล้วท่านว่าชีวิตเราไม่ไเยอะไม่ถึงร้อยเกินนิดหน่อยเต็มที่ทนนรุ่นนันก็หกสิบสองเองเลยมานิดหน่อย เพราะนั้นพวกเราก็โอกนายโกยัวนางพวกเราขนาดนี้แล้วอกสิบจ็ดสิบหลายคนแปดสิบแล้วก็มีไม่กี่ปีนะไม่ได้นานก็มาระวังนี่คือเป็นกติกาข้อคิดเพื่อความหวังดีในการเข้าวัดแล้วได้ยินได้ฟังอย่างนี้าทุกวัดพูดอย่างนี้สอนอย่างนี้เราจะเข้าใจหลักธรรมฟังสอนที่พระเจ้าอย่างลึกซึ้งและเป็นจริงเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ง่ายๆ ไม่เฉดหรือซับซ้อนใดๆเลยก็จะเป็นประโยชน์ในการขัดฟังธรรมจำศีลภาวนาในวันนี้อันที่สองนะการตั้งใจฟังสมาทานศีลคือพระสนไทศสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจฟังคือสมาธิแล้วคิดได้เออพาธันกับผลมีเหตุมีผลได้รู้ความจริงอันนี้ก็เลยหมดใจเสียขาคือเรื่องวี่เาต้งศึกษาสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาวันนี้เราพร้อม เป็นคนมีสินมีสมรรถนะมีมปัญญาด้วยทรงแห่งไตรสิขาคือสินจะไม่มีปัญญานี้ขอชมเป็นพระละวัปปัใจที่ท่านเป็นเจ้าภาพในวันนี้คณะระยรกคณะสองศรัทธาวัจนิธรรมเป็นคุ้นเคยกันนั้นเป็นอย่างดีคณะสองคือชุมชนแบ่งสีวิชัยที่ทำงนนนานอยู่โปิดประธานอยู่กรุมงานกองเทศบาลมาได้นำโดยท่านรอง รองดาวยูทานนอกนั้นก็เป็นตัวเจตาวิทย์ตัวเจตาวิทย์ก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพศรัทธาสร้างศาลาอีกหลังหนึงที่เรากาลังสร้างอยู่ตอนนี้คือแตทิโกถวายทุนก้อนแรกมาสร้านเพื่อเป็นสร้างศาลาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างนี้เป็นหลังที่สองที่รวมกันเป็นเจ้าภาพในวันนี้ขอข้ออันมุตนาความดีข อ, ของพวกเราทั้งหลายเจ้าภาพทั้งหมดในวันนี้ขออันที่สองในการฟังธรรมในวันนี้ จึงเป็นภพลวะปัจจัยตั้งแต่ลูกนานเผาสุวรรณคำผู้ลงลับไปแล้วตาทันรู้ทราบก็ควรจะอามุตนาความดีของพวกเราว่าอยากเอาผมมีตัวอย่างนะผมอยู่ได้บนโลกนี้แค่62ปีเองพราแต่ก็อย่าประมาทในวัยในชีวิตท่านก็ยังโชคดีอยู่เยอะผมยังมีโอกาสที่จะทําความดี <c oughs> ขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญอยู่แบบโลกก็เจริญแบบโลก อยู่ทางธรรมเพอให้เจริญแด้ธรรมขอเราต้องหลายได้ไม่ขอสุขก่อนเจริญทางทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด